ปัญญาอบรมสมาธิบทประพันธ์โดยท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีศีลศีลเป็นรั้วกั้นความขนองทางกายวาจามีใจเป็นผู้รับผิดชอบในงานและผลของงานที่กายวาจาทําขึ้นคนที่ไม่มีศีลเป็นเครื่องป้องกันความขนองเป็นผู้ที่สังคมผู้ดีรังเกียจ ไม่เป็นที่ไว้วางใจของสังคมทั่วไปแม้จะเป็นสังคมในวงราชการหรือสังคมใดๆก็ตามถ้ามีคนทุศีลไม่มีอย่างอายทางความประพฤติแฝงอยู่ในสังคมและองค์งานนั้นๆแม้แต่คนเดียวหรือสองคนแน่ทีเดียวที่สังคมและองค์งานนั้นๆจะตั้งอยู่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาไม่ได้นานจะต้องถูกทําลายหรือบั่นทอนจากคนประเภทนั้น โดยทางใดก็ได้ตามแต่เขาจะมีโอกาสทําได้ในเวลาที่สังคมนั้นเผลอตัวเช่นเดียวกับอยู่ใกล้อสรพิษตัวร้ายกาศคอยแต่จะขบกัดในเวลาพลั้งเผลอฉะนั้นสีลจึงเป็นธรรมคุ้มครองโลกให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากความระแวงสงสัยอันเกิดแต่ความไม่ไว้ใจกันในทางที่จะให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายนับแต่ส่วนเล็กน้อยไปถึงส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ใครๆไม่พึงปรารถนาสีนมีหลายประเภทนับแต่สีนหศสิน8ปสินสถึงสนีล227ตามประเภทของบุคคลที่ควรจะรักษาให้เหมาะแก่เพศและวัยของตนเฉพาะสีนห้าเป็นสินที่จำเป็นที่สุดสำหรับขรวาดผู้เกี่ยวข้องกับสังคมหลายชั้นจึงควรมีสีนเป็นเครื่องรับรองความบริสุทธิ์ของตน และรับรองความบริสุทธิ์ของกันและกันต่อส่วนรวมที่เกี่ยวแก่ผลได้เสียอันอาจเกิดมีได้ในวงงานและสังคมทั่วไปคนที่มีสินห้าประจําตนคนเดียวหรือสองคนเข้าทํางานในวงงานหนึ่งวงงานใดจะเป็นงานบริษัทห้างร้านหรืองานรัฐบาลซึ่งเป็นงานแผ่นดินก็ตามจะเห็นได้ว่าคนมีศินห้าเพียงคนเดียวหรือสองคนนั้น จะได้รับความนิยมชมชอบความไว้วางใจในกิจการนั้นๆเช่นการเงินเป็นต้นจากชุมนุมชนในวงงานนั้นๆเป็นอย่างยิ่งตลอดเวลาที่เขายังอยู่หรือแม้เขาจะไปอยู่หนใดก็ต้องได้รับความนิยมนับถือในที่ทั่วไปเพราะคนมีสีนก็แสดงว่าต้องมีธรรมประจำใจด้วยเช่นเดียวกับรถของอาหารกับตัวของอาหารจะแยกจากกันไม่ได้ ในขณะเดียวกันคนมีธรรมก็แสดงว่าเป็นผู้มีศีลด้วยขณะใดที่เขาร่วงเกินศีลข้อใดข้อหนึ่งขณะนั้นแสดงว่าเขาไม่มีธรรมเพราะธรรมอยู่กับใจศีลอยู่กับกายวาจาแล้วแต่กายวาจาจะเคลื่อนไหวไปในทางถูกหรือผิดต้องสอถึงเรื่องของใจผู้เป็นหัวหน้ารับผิดชอบด้วยถ้าใจมีธรรมประจํา กายวาจาต้องสะอาดปราศจากโทษในขณะทำและพูดฉะนั้นผู้มีกายวาจาสะอาด จ, จึงเป็นเครื่องประกาศให้คนอื่นเขาทราบว่าเป็นคนมีธรรมในใจคนมีศีลธรรมประจํากายวาจาใจจึงเป็นคนมีเสน่ห์มีเครื่องดึงดูดใจประชาชนทั่วโลกให้หันมาสนใจและนิยมรักชอบทุกยุคทุกสมัยไม่มีวันจืดจางแม้ผู้ไม่สามารถกระทํากายวาจา ให้เป็นอย่างเขาได้ก็ยังรู้จักนิยมเลื่อมใสในคนผู้มีกายวาจาใจอันมีศีลธรรมเช่นเดียวกับที่พวกเขาเคารพและเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายฉะนั้นจึงชี้ให้เห็นว่าศีลธรรมคือความดีความงามเป็นสิ่งที่โลกต้องการอยู่ทุกเวลาไม่เป็นของล้าสมัยทั้งมีคุณค่าเท่ากับโลกเสมอไปจะมีอยู่บ้าง ก็เนื่องจากศิลธรรมได้ถูกแปลสภาพจากธรรมชาติเดิมออกมาสู่ระเบียบลัทธิประเพณีซึ่งแยกออกไปตามความนิยมของชาติชั้นวรณนะจึงเป็นเหตุให้ศิลธรรมกลายเป็นของชาติชั้นวรณนะไปตามความนิยมของลัทธินั้นๆอันเป็นเหตุให้โลกติชมตลอดมานอกจากที่ว่านี้ศิลธรรมย่อมเป็นคุณธรรมที่นำยุคนำสมัยไปสู่ความเจริญได้ทุกโอกาส ถ้าโลกยังสนใจที่จะนำเอาศีลธรรมไปเป็นเส้นบรรทัดดัดกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามอยู่จะเห็นได้ง่า ย, ายก็คือการใดที่โลกเกิดความยุ่งเหยิงไม่สงบ ก, การนั้นพึงทราบว่าโลกเริ่มขาดความสมบูรณ์ทางศีลธรรมถ้าไม่รีบปรับปรุงให้ตรงกับทางศีลธรรมแล้วไม่นานฤทธิ์ของโลกล้วนๆจะระเบิดอย่างเต็มที่แม้ตัวโลกผู้ทรงฤทธิ์เอง ก็ต้องแตกทลายลงทันทีทนอยู่ไม่ได้เฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวหนึ่งๆถ้าขาดศีลธรรมอันเป็นหลักของความประพฤติแล้วแม้คู่สามีภรรยาก็ไว้ใจกันไม่ได้คอยแต่จะเกิดความระแวงแคลงใจว่าคู่ครองของตนจะไปคบชู้กับชายอื่นหญิงอื่นอันเป็นเหตุบ่อนทาลายความมั่นคงของครอบครัวและทรัพย์สินเพียงเท่านี้ความปวดร้าวภายในใจ เริ่มฟักตัวขึ้นมาแล้วไม่เป็นอันกินอันนอนแม้การงานอันเป็นหลักอาชีพประจำครอบครัวตลอดลูกเล็กเด็กแดงก็จะเริ่มแตกแหลกลานไปตามๆกันในขณะที่ครอบครัวนั้นๆเริ่มทำลายศีลธรรมของตนยิ่งได้แตกจากศีลธรรมโดยความประพฤติอย่างที่กล่าวแล้วแน่ทีเดียวสิ่งที่มั่นคงทั้งหลายจะกลายเป็นกองเพลิงไปตามๆกันเช่นเดียวกับหม้อน้าที่เต็มไปด้วยน้า ได้ถูกสิ่งอื่นกระทบให้ตกลงน้ําทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในหม้อจะต้องแตกกระจายไปทันทีฉะนั้นดังนั้นเมื่อโลกยังต้องการความเจริญอยู่ตราบใดศีลธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโลกอยู่ตราบนั้นใครจะคัดค้านหลักความจริงคือศีลธรรมอันเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำโลกมาแต่การไหนๆ ไ, ไม่ได้คาว่าศีลธรรมในหลักธรรมชาตินั้น ไม่ต้องไปขอรับมาจากพระหรือจากใครตามวัดหรือตามสถานที่ต่างๆแล้วจึงจะเกิดเป็นศีลธรรมขึ้นมาแม้เพียงแต่ผู้รักษาความถูกความดีงามประจำนิสัยแล้วประพฤติแต่สิ่งถูกและดีงามแก่ตนและแก่ผู้อื่นเว้นการประพฤติสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อความถูกความดีงามของตนเพียงเท่านั้นก็พอจะทราบได้แล้วว่าผู้นั้นมีศีลธรรมขึ้นในตัวแล้วอันหนึ่ง เหตุที่จะเกิดศีลธรรมขึ้นในใจและความประพฤติเกิดขึ้นจากหลักธรรมชาติที่กล่าวแล้วอย่างหนึ่งเกิดจากการครบค้าสมาคมกับนักปราชม์มีสัมนาฉีพรามเป็นต้นได้ศึกษาไต่ถามจากท่านแล้วสมาทานนำมาปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งเพียงเท่านี้ก็พอจะยังศีลธรรมให้เกิดขึ้นในตนและกลายเป็นคนมีศีลธรรมได้พอแกการทรงตัวและครอบครัวตลอดสังคมที่ตนเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปได้โดยปราศจากความระแวงสงสัยในสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจในครอบครัวและส่วนรวมคารวาดปฏิบัติได้เพียงศีลห้าก็สามารถทำความอุ่นใจให้แก่ตนและครอบครัวโดยปราจากใจตลอดเวลาที่ตนมีความประพฤติอยู่ในกรอบของศีลธรรมส่วนศีล8ศีลสิศีลสองสิ น, 10, ส น, นั้นแยกจากศีลห้าขึ้นไปสู่ความละเอียด คามอัธยาศัยของผู้ไข่ประพฤติตนในศีลธรรมชั้นสูงขึ้นไปทั้งด้านปฏิบัติรักษาและความเอาใจใส่ย่อมมีกฎเกณฑ์หรือวิธีการต่างจากศีลห้าขึ้นไปเป็นชั้นๆเมื่อสรุปความแล้วศีลทุกประเภทเป็นคุณสมบัติเพื่อที่จะรักษาความขนองทางความประพฤติของกายและวาจาเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขสบายใจสำหรับท่านผู้ปฏิบัติถูกและเป็นสิ่งจําเป็นแก่ผู้เกี่ยวข้อง ที่ต้องการจะทำตนให้เป็นคนดีทุกรายไปแต่สำหรับผู้เลวสามไม่เห็นว่าเป็นของจำเป็นเพราะไม่ต้องการอยากเป็นคนดีเหมือนโลกเขาแต่คอยจะทำลายความสุขของผู้อื่นก่อความเดือดร้อนแก่โลกทุกเวลาที่ได้ช่องและโอกาสศิลธรรมบางส่วนแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขายังมีได้อย่าว่าแต่มนุษย์จะเป็นเจ้าของศิลธรรมดยไยเดียวเลยเราพอจะสังเกตได้ว่า สัตว์ดีร์ฉานเขายังมีรัศมีแห่งธรรมแทรกอยู่ในใจและความประพฤติของเขาบ้างเช่นสัตว์เลี้ยงในบ้านเราผู้ที่มีศิลธรรมเป็นภาคพื้นประจํานิสัยและความประพฤติตลอดเวลานอกจากจะเป็นผู้ให้ความอบอุ่นเป็นที่ไว้วางใจและให้ความนิยมแก่ประชาชนตลอดกาลแล้วยังเป็นผู้มีความอบอุ่นในตนเองทั้งวันนี้วันหน้าชาตินี้และชาติหน้าอีกด้วยศิลธรรม จึงเป็นคุณสมบัติอันจําเป็นของโลกตลอดกาลสมาธิทำกรรมฐานทุกบทเป็นรั้วกั้นความขนองของใจใจที่ไม่มีกรรมฐานประจําและควบคุมจึงเกิดความขนองได้ทุกวัยทั้งเด็กเล็กหนุ่มสาวเท่าแก่ชาราคนจนคนมีคนฉลาดคนโง่คนมีฐานะสูงต่ําปานกลางคนตาบอดหูหนวกตาดีหูดี น้ยเปรี้ยเสียขาพิกลพิการและอื่นๆไม่มีประมาณทางศาสนธรรมเรียกว่าผู้ยังตกอยู่ในไวความขนองทางใจหมดความสง่าราศีทางใจหาความสุขไม่ได้อาพับความสุขทางใจตายแล้วขาดทุนทั้งขึ้นทั้งล่องเช่นเดียวกับต้นไม้จะมีจิงก้านดอกผลดกหนาหรือไม่ไม่เป็นประมาณรากแก้วเสียหรือโค่นลงแล้ว ย่อมเสียความเป็นสง่าราศีและผลประโยชน์ฉะนั้นแต่ลำต้นหรือกิ่งก้านของต้นไม้ก็ยังอาจจะมาทําประโยชน์อย่างอื่นได้บ้างไม่เหมือนมนุษย์ตายโทษแห่งความขนองของใจที่ไม่มีธรรมะเป็นเครื่องรักษาจะหาจุดความสุขไม่พบตลอดกาลแม้ความสุขจะเกิดเพราะความขนองของใจเป็นผู้สแสวงหามาได้ก็เป็นความสุขชนิดเป็นบทบาทที่จะเพิ่มความขนองของใจ ให้มีความกล้าแข็งไปในทางที่ไม่ถูกมากกว่าจะเป็นความสุขที่พึงพอใจฉะนั้นสมาธิคือความสงบหรือความตั้งมั่นของใจจึงเป็นค่าศึกต่อความขนองของใจที่ไม่อยากรับยาคือกรรมฐานผู้ต้องการปราบปรามความขนองของใจซึ่งเคยเป็นค่าศึกต่อสัตว์มาหลายกับนับไม่ถ้วนจึงจําเป็นต้องฝืนใจรับยาคือกรรมฐานการรับยาหมายถึง การอบรมใจของตนด้วยธรรมะไม่ปล่อยตามลำพังของใจซึ่งชอบความขนองเป็นมิตรตลอดเวลาคือน้อมธรรมเข้ามากากับใจทากากับใจเรียกว่ากรรมาฐานมี40สห้องตามจริตนิสัยของบรรดาสัตว์ไม่เหมือนกันมีกะสินสิบอสุภะสิบอนุสติสิบพรหมวิหารสี่อาหารเรปฏิกูลสัญญาหนึ่งจตุธาตุว่าวัฏฐานหนึ่ง และอารูปสี่จะขอยกมาพอประมาณที่ใช้กันโดยมากและให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติเป็นที่พึงพอใจคืออาการของกาย32มีเกษาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังที่ท่านเรียกว่ากรรมาฐานหหรือพุทโธธรรมโมสังโฆหรืออนาปนาสติระลึกลมหายใจเข้าออกบทใดก็ได้ ตามแต่จริตชอบเพราะนิสัยไม่เหมือนกันจะใช้กรรมฐานอย่างเดียวกันย่อมเป็นการขัดต่อจริตไม่ได้ผลเท่าที่ควรเมื่อชอบบทใดก็ตกลงใจนำบทนั้นมาบริกรรมเช่นจะบริกรรมเกษาก็นึกว่าเกษาซ้ำอยู่ในใจไม่ออกเสียงเป็นคำพูดให้ได้ยินออกมาภายนอกแต่ลำพังนึกเอาชนะใจไม่ได้จะบริกรรมทานองสวดมนต์ เพื่อให้เสียงผูกใจไว้จะได้สงบก็ได้ทําจนกว่าใจจะสงบได้ด้วยคำบริกรรมจึงหยุดพร้อมทั้งใจให้ทำความรู้สึกไว้กับผมบนศีศรษะเจ้าบริกรรมบทใดก็ให้ทำความรู้อยู่กับกรรมฐานบทนั้นเช่นเดียวกับบริกรรมบทเกสาซึ่งทำความรู้อยู่ในผมบนศีศรษะฉะนั้นส่วนการบริกรรมบทพุทโธธรรมโมสังโฆบทใด ให้ทําความรู้ไว้จําเพาะใจไม่เหมือนบทอื่นๆคือให้คําบริกรรมว่าพุโทโธเป็นต้นสัมพันธ์กันอยู่กับใจไปตลอดจนกว่าจะปรากฏพุโทโธในคําบริกรรมกับผู้รู้คือใจเป็นอันเดียวกันแม้ผู้จะบริกรรมบทธรมโมสังโฆตามจริตก็พึงบริกรรมให้สัมพันธ์กันกับใจจนกว่าจะปรากฏธรรมโมหรือสังโฆเป็นอันเดียวกันกันกบใจ ทำนองเดียวกับบทพุโทโธเถิดอาณาปานาสติภาวนาถือลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอารมณ์ของใจมีความรู้และสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกเบื้องต้นการตั้งลมควรตั้งที่ปลายจมูกหรือเพดานเพราะเป็นที่กระทบลมหายใจพอถือเอาเป็นเครื่องหมายได้เมื่อทาจนชนานาญและลงละเอียดเข้าไปเท่าไรจะค่อยรู้หรือเข้าใจ ความสัมผัสของลมเข้าไปโดยลำดับจนปรากฏลมอยู่ที่ท่ามกลางอกหรือลิ้นปีแห่งเดียวทีนี้จงกำหนดลมณที่นั้นไม่ต้องกังวลออกมากำหนดหรือตามรู้ลมที่ปลายจมูกหรือเพดานอีกต่อไปการกำหนดลมจะตามด้วยพุทธโธเป็นคำบริกรรมกำกับลมหายใจเข้าออกด้วยก็ได้เพื่อเป็นการพยุงผู้รู้ให้เด่นจะได้ปรากฏลมชัดขึ้นที่ใจ เมื่อชำนาญในลมแล้วต่อไปทุกครั้งที่กาหนดจงกาหนดลงที่ลมหายใจท่ามกลางอกหรือลิ้นปีโดยเฉพาะทั้งนี้สาคัญอยู่ที่ตั้งสติจงตั้งสติกับใจให้มีความรู้สึกในลมทุกขณะที่ลมเข้าและลมออกสั้นหรือยาวจนกว่าจะรู้ชัดในลมหายใจมีความละเอียดเข้าไปทุกทีและจนปรากฏความละเอียดของลมกับใจเป็นอันเดียวกัน ทีนี้ให้กำหนดลมอยู่จำเพาะใจไม่ต้องกังวลในคำบริกรรมใดๆทั้งสิน้นเพราะการกำหนดลมเข้าออกและสั้นยาวตลอดคำบริกรรมนั้นๆก็เพื่อจะให้จิตถึงความละเอียดเมื่อถึงลมละเอียดที่สุดจิตจะปรากฏมีความสว่างสวเยืเอกเย็นเป็นความสงบสุขและรู้อยู่จำเพาะใจไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดๆแม้ที่สุดกองลม ก็ลดละความเกี่ยวข้องในขณะนั้นไม่มีความกังวลเพราะจิตวางภาระมีความรู้อยู่จาเพาะใจดวงเดียวคือความเป็นหนึ่งเอกขตารมนี่คือผลที่ได้รับจากการเจริญอาณาปณสติก ร, รมฐานในกรรมฐานบทอื่นพึงทราบว่าผู้ภาวนาจะต้องได้รับผลเช่นเดียวกันกับบทนี้การบริกรรมภาวนา มีบทกรรมฐาน น, นั้นๆเป็นเครื่องกํากับใจด้วยสติจะระงับความกระนองของใจได้เป็นลําดับจะปรากฏความสงบสุขขึ้นที่ใจมีอารมณ์อันเดียวคือรู้อยู่จมเพาะใจปราศจากความฟุ้งซ่านใดๆไม่มีสิ่งมากวนใจให้เอ็งเองียงเป็นความสุขจมเพาะใจปราศจากความเสกสรรหรือปุงแต่งใดๆทั้งสิน้นเพียงเท่านี้ผู้ปฏิบัติจะเห็นความอัศจรรย์นในใจ ที่ไม่เคยประสบมาแต่การไหนและเป็นความสุขที่ดูดดื่มยิ่งกว่าอื่นใดที่เคยผ่านมาอันหนึ่งพึงทราบผู้บริกรรมบทกรรมฐานนั้นๆบางท่านอาจปรากฏอาการแห่งกรรมฐานที่ตนกำลังบริกรรมนั้นขึ้นที่ใจในขณะที่กำลังบริกรรมอยู่ก็ได้เช่นปรากฏผมขนเล็บฝันหนังเนือเอ็นกระดูกเป็นต้น อาการใดอาการหนึ่งประจักษ์กับใจเหมือนมองเห็นด้วยตาเนื้อเมื่อปรากฏอย่างนี้พึงกําหนดดูอาการที่ตนเห็นนั้นให้ชัดเจนติดใจและกําหนดให้ตั้งอย่างนั้นได้นานและติดใจเท่าไรยิ่งดีเมื่อติดใจแนบสนิทแล้วจงทำความแยบคายในใจกําหนดส่วนที่เห็นนั้นโดยเป็นของปฏิกูลโสโครกทั้งอาการส่วนในและอาการส่วนนอกของกายโดยรอบ แ, แยกส่วนของกายออกเป็นส่วนๆหรือเป็นแผนกแผนกตามอาการนั้นๆโดยเป็นกองผมกองขนกองเนื้อกองกระดูกเสร็จแล้วกําหนดให้เน่าเปื่อยลงบ้างกําหนดไฟเผาบ้างกําหนดให้แรงกาหมากินบ้างกําหนดให้แตกลงสู่ธาตุเดิมของเขาคือดินน้ําลมไฟบ้างเป็นต้นการทําอย่างนี้เพื่อความชํานาญ ค, คล่องแคล่วของใจ ในการเห็นกายเพื่อความเห็นจริงในกายว่ามีอะไรอยู่ในนั้นเพื่อความบรรเทาและตัดขาดเสียได้ซึ่งความหลงกายอันเป็นเหตุให้เกิดราคะตัณหาคือความขนองของใจทำอย่างนี้ได้ชำนาญเท่าไรยิ่งดีใจจะสงบละเอียดเข้าทุกทีข้อสำคัญเมื่อปรากฏอาการของกายขึ้นอย่าปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่สนใจและอย่ากลัวอาการของกายที่ปรากฏ ตรงกำหนดไว้เฉพาะหน้าทันทีกายนี้เมื่อภาวนาได้เห็นจนติดใจจริงๆจะเกิดความเบื่อหน่ายสลดสังเวทตนจะเกิดขนพองสยองกล้าวน้ำตาไหลลงทันทีอันหนึ่งผู้ที่ปรากฏกายขึ้นเฉพาะหน้าในขณะภาวนาใจจะเป็นสมาธิได้อย่างรวดเร็วและจะทำปัญญาให้แจ้งไปพร้อมๆกันกับความสงบของใจที่ภาวนาเห็นกาย ผู้ที่ไม่เห็นอาการของกายจงทราบว่าการบริกรรมภาวนาทั้งนี้ก็เป็นการภาวนาเพื่อแต่ยังจิตให้เข้าสู่ความสงบสุขเช่นเดียวกันจึงไม่มีข้อระแวงสงสัยที่ตรงไหนว่าจิตจะไม่อย่างลงสู่ความสงบและเห็นภัยด้วยปัญญาในวาระต่อไปจงทำความมั่นใจในบทภาวนาและคาบริกรรมของตนอย่าท้อถอยผู้ดาเนินไปโดยวิธีใด พึงทราบว่าดำเนินไปสู่จุดประสงค์เช่นเดียวกันและจงทราบว่าบทธรรมทั้งหมดนี้เป็นบทธรรมที่จะนำใจไปสู่สันติสุขคือพระนิพพานอันเป็นจุดสุดท้ายของการภาวนาทุกบทไปฉะนั้นจงทาตามหน้าที่แห่งบทภาวนาของตนอย่าพวักพวลในกรรมฐานบทอื่นๆจะเป็นความลังเลสงสัย ตัดสินใจลงไปสู่ความจริงไม่ได้จะเป็นอุปสรรคแก่ความจริงใจตลอดการจงตั้งใจทำด้วยความมีสติจริงๆและอย่าเรียงศีลสมาธิปัญญาให้นอกไปจากใจเพราะกิเลสคือราคะโทสะโมหะเป็นต้นอยู่ที่ใจใครไม่ได้เรียงรายเขาเมื่อคิดไปทางผิดมันก็เกิดกิเลสขึ้นมาที่ใจดวงนั้นไม่ได้กาหนดหรือนัดกันว่า ใครจะมาก่อนมาหลังมันเป็นกิเลสมาทีเดียวกิเลสชนิดไหนมามันก็ทำใหเราร้อนได้เช่นเดียวกันเรื่องของกิเลสมันจะต้องเป็นกิเลสเรื่อยไปอย่างนี้กิเลสตัวไหนจะมาก่อนมาหลังเป็นไม่เสียผลทำให้เกิดความร้อนได้ทั้งนั้นวิธีการแก้กิเลสอย่าคอยให้ศีลไปก่อนสมาธิมาที่สองปัญญามาที่สาม นี่เรียกว่าทำสมาธิเรียงแบบเป็นอดีตอนาคตเสมอไปหาความสงบสุขไม่ได้ตลอดการปัญญาอบรมสมาธิความจริงการภาวนาเพื่อให้ใจสงบถ้าสงบด้วยวิธีปลอบโยนโดยทางบริกรรมไม่ได้ต้องภาวนาด้วยวิธีปราบปรามขู่เข็นคือค้นคิดหาเหตุผลในสิ่งที่จิตติดข้องด้วยปัญญา แล้วแต่ความแยบคายของปัญญาจะหาอุบายทรมานจิตดวงพยศจนปรากฏใจยอมจำนนตามปัญญาว่าเป็นความจริงอย่างนั้นแล้วใจจะฟุ้งซ่านไปไหนไม่ได้ต้องอยังเข้าสู่ความสงบเช่นเดียวกับสัตว์พาหนะตัวขนองต้องฝึกฝนทรมานอย่างหนักจึงจะยอมจำนนต่อเจ้าของฉะนั้นในเรื่องนี้จะขอยกอุ ป, ปมาเป็นหลักเทียบเคียงเช่น ต้นไม้บางประเภทตั้งอยู่โดดเดียวไม่มีสิ่งเกี่ยวข้องผู้ต้องการต้นไม้นั้นก็ต้องตัดด้วยมีดหรือขวานเมื่อขาดแล้วไม้ต้นนั้นก็ล้มลงสู่จุดที่หมายแล้วนาไปได้ตามต้องการไม่มีความยากเย็นอะไรนักแต่ไม้อีกบางประเภทไม่ตั้งอยู่โดดเดียวยังเกี่ยวข้องอยู่กับกิ่งแขนงของต้นอื่นๆ อ, อ, อีกมากยากที่จะตัดให้ลงสู่ที่หมายได้ต้องใช้ปัญญา หรือสายตาตรวจ ด, ดูสิ่งเกี่ยวข้องของต้นไม้นั้นโดยถี่ถ้วนแล้วจึงตัดต้นไม้นั้นให้ขาดพร้อมทั้งตัดสิ่งเกี่ยวข้องจนหมดสิ้นไปไม้ย่อมตกหรือล้มลงสู่ที่หมายและนำไปได้ตามความต้องการชันใดจริตนิสัยของคนเราก็ฉันนั้นคนบางประเภทไม่ค่อยมีสิ่งแวดล้อมเป็นภาระกดทวงใจมากเพียงใช้คาบริกรรมภาวนาพุทโธ ธรรมโมสังโคเป็นต้นบทใดบทหนึ่งเข้าเท่านั้นใจก็ได้รับความสงบเยือกเย็นเป็นสมาธิลงได้กลายเป็นต้นทุนหนุนปัญญาให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างสบายที่เรียกว่าสมาธิอบรมปัญญาแต่คนบางประเภทมีสิ่งแวดล้อมเป็นภาระกดท่วงใจมากและเป็นนิสัยชอบคิดอะไรมากอย่างนี้จะอบรมด้วยคำรีกรรม อย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นไม่สามารถที่จะยังจิตให้อย่างลงสู่ความสงบเป็นสมาธิได้ต้องใช้ปัญญาไตร่ตรองเหตุผลตัดต้นเหตุของความฟุ้งซ่านด้วยปัญญาเมื่อปัญญาได้หว่านล้อมในสิ่งที่จิตติดข้องนั้นไว้อย่างหนาแน่นแล้วจิตจะมีความรู้เหนือปัญญาไปไม่ได้และแต่อย่างลงสู่ความสงบเป็นสมาธิได้ฉะนั้นคนประเภทนี้จะต้องฝึกฝนจิต ให้เป็นสมาธิได้ด้วยปัญญาที่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิตามชื่อหัวเรื่องที่ให้ไว้แล้วในเบื้องต้นนั้นเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นด้วยอำนาจปัญญาอันดับต่อไปสมาธิก็กลายเป็นต้นทุนหนุนปัญญาให้มีกำลังก้าวหน้าสุดท้ายก็ลงรอยเดียวกันกับหลักเดิมที่ว่าสมาธิอบรมปัญญา ผู้ต้องการอบรมใจให้เป็นไปเพื่อความฉลาดรู้เท่าทันกลมายาของกิเลสอย่ายึดปริยัติจนเกิดกิเลสแต่ก็อย่าปล่อยวางปริยัติจนเลยศาสดาผิดพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าทั้งสองไยยะคือในขณะที่ทำสมาธิภาวนาอย่าทรงใจไปยึดปริยัติจนกลายเป็นอดีตอนาคตไปให้ตั้งจิตลงสู่ปัจจุบันคือเฉพาะหน้ามีธรรมที่ตนเกี่ยวข้องเป็นอารมณ์เท่านั้น เมื่อมีข้อข้องใจตัดสินใจลงไม่ได้ว่าถูกหรือผิดเวลาออกจากที่ภาวนาแล้วจึงตรวจสอบกับปริยัติแต่จะตรวจสอบทุกขณะไปก็ผิดเพราะจะกลายเป็นความรู้ในแบบไม่ใช่ความรู้เกิดจากภาวนาใช้ไม่ได้สรุปความถ้าจิตสงบได้ด้วยอารมณ์สมถะคือคำบริกรรมด้วยธรรมบทใดก็บริกรรมบทนั้นถ้าจะสงบได้ด้วยปัญญาสกัดกัน้น โดยอุบายต่างๆก็ต้องใช้ปัญญาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อความสงบเสมอไปผลรายได้จากการอบรมทั้งสองวิธีนี้คือความสงบและปัญญาอันจะมีรัศมีแฝงขึ้นจากความสงบนั้นๆสมาธิสมา ธ, มาธิว่าโดยชื่อและอาการแห่งความสงบมีสามคือคณิกะสมาธิตั้งมั่นหรือสงบชั่วคราวแล้วถอนขึ้นมา อุปจาระสมาธิท่านว่ารวมเฉียดเฉียดนานกว่าคณิกะสมาธิแล้วถอนขึ้นมาจากนี้ขอแทรกทัศนะของธรรมะป่าเข้าบ้างเล็กน้อยอุปจาระสมาธิเมื่อจิตสงบลงไปแล้วไม่อยู่กับที่ถอยออกมาเล็กน้อยแล้วตามรู้เรื่องต่างๆตามแต่จะมาสัมผัสใจบางครั้งก็เป็นเรื่องเกิดจากตนเองปรากฏเป็นนิมิตขึ้นมาดีบ้าง ชั่วบ้างแต่เบื้องต้นเป็นนิมิตเกิดกับต้นมากกว่าถ้าไม่รอบกอบก็ทำให้เสียได้เพราะนิมิต ท, ที่จะเกิดขึ้นจากสมาธิประเภทนี้มีมากเอาประมาณไม่ได้บางครั้งก็ปรากฏเป็นรูปร่างของตัวเองนอนตายและเน่าพองอยู่ต่อหน้าเป็นผีตายและเน่าพองอยู่ต่อหน้าบ้างมีแต่โครงกระดูกบ้างเป็นซากศพเขากาลังหามผ่านมาต่อหน้าบ้างเป็นต้น ที่ปรากฏลักษณะนี้ผู้ฉลาดก็ถือเอาเป็นอุกขะริมิตเพื่อเป็นปฏิภาคคณิมิตได้เพราะจะยังสมาธิให้แน่นหนาและจะยังปัญญาให้คมกล้าได้เป็นลำดับสำหรับผู้กล้าต่อเหตุผลเพื่อจะยังประโยชน์ตนให้สำเร็จย่อมได้สติปัญญาจากนิมิตนั้นๆเสมอไปแต่ผู้ขี้ขลาดหวาดกลัวอาจจะทำใจให้เสียเพราะสมาธิประเภทนี้มีจำนวนมาก เพราะเรื่องที่น่ากลัวมีมากเช่นปรากฏมีคนรูปร่างสีสันวัณณะน่ากลัวทำท่าจะฆ่าฟันหรือจะกินเป็นอาหารอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นผู้กล้าหาญต่อเหตุการ์แล้วก็ไม่มีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นยิ่งจะได้อุบายเพิ่มขึ้นจากนิมิตหรือสมาธิประเภทนี้เสียอีกสำหรับผู้มักกลัวปกติก็แสหาเรื่องกลัวอยู่แล้ว ยิ่งปรากฏนิมิต ท, ที่น่ากลัวก็ยิ่งไปใหญ่ดีไม่ดีอาจจะเป็นบ้าขึ้นในขณะนั้นก็ได้ส่วนนิมิตนอกที่ผ่านมาจะรู้หรือไม่ว่าเป็นนิมิตนอกหรือนิมิตเกิดกับตัวนั้นต้องผ่านนิมิตในซึ่งเกิดกับตัวไปจนชนานาญแล้วจึงจะสามารถรู้ได้นิมิตนอกนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆของคนหรือสัตว์เปรตพูดผีเทวบุตรเทวดา อินพรมที่มาเกี่ยวข้องกับสมาธิในเวลานั้นเช่นเดียวกับเราสนทนากันกับแขกที่มาเยี่ยมเรื่องปรากฏขึ้นจะนานหรือไม่นั้นแล้วแต่เหตุการณ์จะยุติลงเมื่อใดบางครั้งเรื่องหนึ่งจบลงเรื่องอื่นแฝงเข้ามาต่อกันไปอีกไม่จบสิ้นหลงง่ายๆเรียกว่าสั้นบ้างยาวบ้างเมื่อจบลงแล้วจิตก็ถอนขึ้นมาบางครั้ง ก็กินเวลาหลายชั่วโมงสมาธิประเภทนี้แม้รวมนานเท่าใดก็ตามเมื่อถอนขึ้นมาแล้วก็ไม่มีกำลังเพิ่มสมาธิให้แน่นหนาและไม่มีกำลังหนุนปัญญาได้ด้วยเหมือนคนนอนหลับแล้วฝันไปธาตุขันย่อมไม่มีกำลังเต็มที่ส่วนสมาธิที่รวมลงแล้วอยู่กับที่พอถอนขึ้นมาปรากฏเป็นกาลังหนุนสมาธิให้แน่นหนา เช่นเดียวกับคนนอนหลับสนิทดีไม่ฝันพอตื่นขึ้นธาตุขันรู้สึกมีกำลังดีฉะนั้นสมาธิประเภทนี้ถ้ายังไม่ชํานานและรอบคอบด้วยปัญญาก็ทําให้เสียคนเช่นเป็นบ้าไปได้โดยมากนักภาวนาที่เขาเล่าลือกันว่าธรรมะแตกนั้นเป็นเพราะสมาธิประเภทนี้แต่เมื่อรอบคอบดีแล้วก็เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเหตุการณ์ได้ดี ส่วนอุกคกะนิมิต ท, ที่ปรากฏขึ้นจากจิตตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นนั้นเป็นนิมิต ท, ที่ควรแก่การปฏิภาคในหลักภาวนาของผู้ต้องการอุบายแยกข่ายด้วยปัญญาโดยแท้เพราะเป็นนิมิต ท, ที่เกี่ยวกับอริยสัจนิมิตอันหลังต้องน้อมเข้าหาจึงจะเป็นอริยสัจได้บ้างแต่ทั้งนิมิตเกิดกับตนและนิมิตผ่านมาจากภายนอกถ้าเป็นคนลาดก็อาจเสียได้เหมือนกัน สำคัญอยู่ที่ปัญญาและความกล้าหาญต่อเหตุการณ์ผู้มีปัญญาจึงไม่ประมาทสมาธิประเภทนี้โดยถ่ายเดียวเช่นงูเป็นตัวอสรพิษเขานำมาเลี้ยงไว้เพื่อถือเอาประโยชน์จากงูก็ยังได้วิธีปฏิบัติในนิมิต ท, ทั้งสองซึ่งเกิดจากสมาธิประเภทนี้นิมิต ท, ที่เกิดจากจิต ท, ที่เรียกว่านิมิตในจงทำปฏิภาคมีแบ่งแยกเป็นต้น ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นแล้วนิมิต ท, ที่ผ่านมาอันเกี่ยวแก่คนหรือสัตว์เป็นต้นถ้าสมาธิยังไม่ชํานาญจงงดไว้ก่อนอย่าด่วนสนใจเมื่อสมาธิชํานาญแล้วจึงปล่อยจิตออกรู้ตามเหตุการณ์ปรากฏจะเป็นประโยชน์ที่เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตอนาคตไม่น้อยเลยสมาธิประเภทนี้เป็นสมาธิที่แปลกมากอย่าด่วนเพลิดเพลินและเสียใจ ในสมาธิประเภทนี้โดยถ่ายเดียวจงทําใจให้กล้าหาญขณะที่นิมิต น, นานาประการเกิดขึ้นจากสมาธิประเภทนี้เบื้องต้นให้น้อมลงสู่ไตรลักษณ์ขณะนิมิตปรากฏขึ้นจะไม่ทําให้เสียแต่พึงทราบว่าสมาธิประเภทมีนิมิตนี้ไม่มีทุกรายไปรายที่ไม่มีก็คือเมื่อจิตสงบแล้วรวมอยู่กับที่ จะรวมนานเท่าไรก็ไม่ค่อยมีนิมิตมาปรากฏหรือจะเรียกง่ายๆก็คือรายที่ปัญญาอบรมสมาธิแม้สงบรวมลงแล้วจะอยู่นานหรือไม่นานก็ตามก็ไม่มีนิมิตเพราะเกี่ยวกับปัญญาแฝงอยู่กับองค์สมาธินั้นส่วนรายที่สมาธิอบรมปัญญามักจะปรากฏนิมิตแทบทุกรายไปเพราะจิตประเภทนี้รวมลงอย่างเร็วที่สุดเหมือนคนตกบ่อตกเหว ไม่ค่อยระวังตัวลงรวดเดียวก็ถึงที่พักของจิตแล้วก็ถอนออกมารู้เหตุการณ์ต่างๆจึงปรากฏเป็นนิมิตขึ้นมาในขณะนั้นและก็เป็นนิสัยของจิตประเภทนี้แทบทุกรายไปแต่จะเป็นสมาธิประเภทใดก็ตามปัญญาเป็นสิ่งสาคัญประจำสมาธิประเภทนั้นๆเมื่อถอนออกมาแล้วจงไตรตรองาธาตุขันด้วยปัญญา เพราะปัญญากับสมาธิเป็นธรรมคู่เคียงกันจะแยกจากกันไม่ได้ถ้าสมาธิไม่ก้าวหน้าต้องใช้ปัญญาหนุนหลังขอยุติเรื่องอุปจารสมาธิแต่เพียงเท่านี้อัปปนาสมาธิเป็นสมาธิที่ละเอียดและแน่นหนามั่นคงทั้งรวมอยู่ได้นานจะให้รวมอยู่หรือถอนขึ้นมาได้ตามต้องการสมาธิทุกประเภทพึงทราบว่า เ, เครื่องหนุนปัญญาได้ตามกําลังของตนคือสมาธิอย่างหยาบอย่างกลางและอย่างละเอียดก็หนุนปัญญาอย่างหยาบอย่างกลางและอย่างละเอียดเป็นชั้นๆไปแล้วแต่ผู้มีปัญญาจะนําออกใช้แต่โดยมากจะเป็นสมาธิประเภทใดก็ตามปรากฏขึ้นผู้ภาวนามักจะติดเพราะเป็นความสุขในขณะที่จิตรวมลงและพักอยู่การที่จะเรียกว่า จิตติดสมาธิหรือติดความสงบได้นั้นไม่เป็นปัญหาในขณะที่จิตพักรวมอยู่จะพักอยู่นานเท่าไรก็ได้ตามขั้นของสมาธิที่สำคัญก็คือเมื่อจิตถอนขึ้นมาแล้วยังอาลัยในความพักของจิตทั้งทั้งที่ตนมีความสงบพอที่จะใช้ปัญญาไตรตรองและมีความสงบจนพอตัวซึ่งควรจะใช้ปัญญาได้อย่างเต็มที่แล้ว แต่ยังพยายามที่จะอยู่ในความสงบไม่สนใจในปัญญาเลยอย่างนี้เรียกว่าติดสมาธิถอนตัวไม่ขึ้นปัญญาทางที่ถูกและราบรื่นของผู้ปฏิบัติก็คือเมื่อจิตได้รับความสงบพอเห็นทางแล้วต้องฝึกหัดจิตให้คิดค้นในอาการของกายจะเป็นอาการเดียวหรือมากอาการก็ตามด้วยปัญญา คลี่คลายดูกายของตนเริ่มตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าที่เรียกว่าอาการ32ของกายสิ่งเหล่านี้ตามปกติ เต็มไปด้วยของปฏิกูลน่าเกลียดตลอดเวลาไม่มีอวัยวะส่วนใดจะสวยงามตามโมหานิยมยังเป็นอยู่ก็ปฏิกูลตายแล้วยิ่งเป็นมากขึ้นไม่ว่าสัตว์บุคคลหญิงชายมีความเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นในโลกนี้เต็มไปด้วยของอย่างนี้หาสิ่งที่แปลกกว่านี้ไม่มีใครอยู่ในโลกนี้ต้องมีอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ ต้องเห็นอย่างนี้ความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงก็กายอันนี้ทุกขังความลำบากก็กายอันนี้อันนัตตาปฏิเสธความประสงค์ของสัตว์ทั้งหลายก็กายอันนี้สิ่งที่ไม่สมหวังทั้งหมดก็อยู่ที่กายอันนี้ความหลงสัตว์หลงสังขารก็หลงกายอันนี้ความถือสัตว์ถือสังขารก็ถือกายอันนี้ ความพลัดพรากจากสัตว์และสังขารก็พลัดพรากจากกายอันนี้ความหลงรักหลงชังก็หลงกายอันนี้ความไม่อยากตายก็ห่วงกายอันนี้ตายแล้วร้องไห้หากันก็เพราะกายอันนี้ความทุกข์ทรมานแต่วันเกิดจนถึงวันตายก็เพราะกายอันนี้ทั้งสัตว์และบุคคลวิ่งว่อนไปมาหาอยู่หากินไม่มีวันไม่มีคืน ก็เพราะเรื่องของกายอันเดียวนี้มหาเหตุมหาเรื่องใหญ่โตในโลกที่เป็นกงจากพันมนุษย์และสัตว์ไม่มีวันลืมตาเต็มดวงประหนึ่งไฟเผาอยู่ตลอดเวลาก็คือเรื่องของกายเป็นเหตุกิเลส ท, ท่วมหัวจนเอาตัวไม่รอดก็เพราะกายอันนี้สรุปความเรื่องในโลกคือเรื่องเพื่อกายอันเดียวนี้ทั้งนั้นเมื่อพิจารณากายพร้อมทั้งเรื่องของกาย ให้แจ้งประจักษ์กับใจด้วยปัญญาอยู่อย่างนี้ไม่มีวันหยุดยัง้งกิเลสจะยกกองผลมาจากไหนใจจึงสงบลงไม่ได้ปัญญาอ่านประกาศความจริงให้ใจฟังอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาใจจะฝืนความจริงจากปัญญาไปไหนเพราะกิเลสก็เกิดจากใจปัญญาก็เกิดจากใจเราก็คือใจจะแก้กิเลสด้วยปัญญาของเรา จะไม่ได้อย่างไรเมื่อปัญญาเป็นไปในกายอยู่อย่างนี้จะไม่เห็นแจ้งในกายอย่างไรเล่าเมื่อเห็นกายแจ้งประจักษ์ใจด้วยปัญญาอย่างนี้ใจต้องเบื่อหน่ายในกายตนและกายคนอื่นสัตว์อื่นต้องคลายความกำหนัดยินดีในกายแล้วถอนอุ ป, ปาทานความถือมั่นในกายโดยสมุเทเขถะปะหาน พร้อมทั้งความรู้เท่ากายทุกส่วนไม่หลงรักหลงชังในกายใดๆอีกต่อไปการที่จิตใช้กล้องคือปัญญาท่องเที่ยวในเมืองกายนครย่อมเห็นกายนครของตนและกายนครของคนและสัตว์ทั่วไปได้ชัดตลอดจนทางสามแพร่งคือไตรลักษณิจังทุกขังอนัตตาและทางสีแพร่งคือาธาตุสีดินน้ำ ลมไฟทั่วทั้งตรอกของทางสายต่างๆคืออาการของกายทุกส่วนพร้อมทั้งห้องน้ำครัวไฟส่วนข้างในของร่างกายแห่งเมืองกายนาครจัดเป็นโลกวิถูความเห็นแจ้งในกายนาครทั่วทั้งไตรโลกธาตุก็ได้ด้วยยะถาภูตะญาณทัศนะนะความเห็นตามเป็นจริงในกายทุกส่วนหมดความสงสัยในเรื่องของกาย ที่เรียกว่ารูปประธรรมต่อไปนี้จะอธิบายวิปัสสนาเกี่ยวกับนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนามธรรมทั้งสี่นี้เป็นส่วนหนึ่งของขันท่าแต่ละเอียดไปกว่ารูปประขันคือกายไม่สามารถมองเห็นด้วยตาแต่รู้ได้ทางใจเวทนาคือสิ่งที่จะต้องเสวยทางใจสุขบ้าง ทุกบ้างเฉยๆบ้างสัญญาคือความจําเช่นจำชื่อจำเสียงจำวัตถุสิ่งของจำบาลีคาถาเป็นต้นสังขารคือความคิดความปรุงเช่นคิดดีคิดชั่วคิดกลางๆไม่ดีไม่ชั่วหรือปรุงอดีตอนาคตเป็นต้นและวิญญาณความรับรู้คือรับรู้รูปเสียงกลิ่น เครื่องสัมผัสและธรรมอารมณ์ในขณะที่สิ่งเหล่านี้มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายและใจนามธรรมา ท, ทั้งสีน่นี้เป็นอาการของใจออกมาจากใจรู้ได้ที่ใจและเป็นมายาของใจด้วยถ้าใจยังไม่รอบคอบจึงจัดว่าเป็นเครื่องปกปิดกำบังความจริงได้ด้วยการพิจารณานามธรรมา ท, ทั้งสี่ ต้องพิจารณาด้วยปัญญาด้วยทางไตรลักษณ์ล้วนๆเพราะขันเหล่านี้มีไตรลักษณ์ประจำตนทุกอาการที่เคลื่อนไหวแต่วิธีพิจารณาในขันทั้งสี่นี้ตามแต่จริตจะชอบในขันใดไตรลักษณ์ใดหรือทั่วไปในขันและไตรลักษณ์นั้นๆจงพิจารณาตามจริตชอบในขันและไตรลักษณ์นั้นๆเพราะขันและไตรลักษณ์หนึ่งหนึ่ง เป็นธรรมเกี่ยวโยงถึงกันจะพิจารณาเพียงขันหรือไตรลักษณ์เดียวก็เป็นเหตุให้ความเข้าใจอย่างทราบไปในขันและไตรลักษณ์อื่นๆได้โดยสมบูรณ์เช่นเดียวกับพิจารณาไปพร้อมๆกันเพราะขันและไตรลักษ์เหล่านี้มีอริยสัจเป็นรั้วกัน้นเขตแดนรับรองไว้แล้วเช่นเดียวกับการรับประทานอาหารลงในที่แห่งเดียวย่อมซึมทราบ ไปทั่วอวัยวะน้อยใหญ่ของร่างกายซึ่งเป็นส่วนใหญ่รับรองไว้แล้วฉะนั้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจงตั้งสติและปัญญาให้เข้าใกล้จิตต่อนามธรรมคือขันธ์สีน่นี้ทุกขณะที่ขันนั้นๆเคลื่อนไหวคือปรากฏขึ้นตั้งอยู่และดับไปและไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาประจําตนไม่มีเวลาหยุดยัง้งตามความจริงของเขา ซึ่งแสดงหรือประกาศตนอยู่อย่างนี้ไม่มีเวลาสงบแม้แต่ขณะเดียวทั้งภายในทั้งภายนอกทั่วโลกกาตประกาศเป็นเสียงเดียวกันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปฏิเสธความหวังของสัตว์พูดง่ายๆก็คือทำทั้งนี้ไม่มีเจ้าของประกาศตนอยู่อย่างอิสระเสรีตลอดกาลใครหลงไปยึดเข้า ก็พบแต่ความทุกข์ด้วยความเหี่ยวแห้งใจตรอมใจหนักเข้ากินอยู่หลับนอนไม่ได้น้ําตาไหลจนจะกลายเป็นแม่น้ําลําคลองไหลนองตลอดเวลาและตลอดอนันตกาศที่สัต์ยังหลงคล้องอยู่ชี้ให้เห็นง่ายๆขันทั้งห้าเป็นบ่อหลังน้ำตาของสัตว์ผู้ลุ่มหลงนั่นเองการพิจารณาให้รู้ด้วยปัญญาชอบในขันและสภาวะธรรมทั้งหลาย ก็เพื่อจะประหยัดน้ำตาและตัดภพชาติให้น้อยลงหรือให้ขาดกระเด็นออกจากใจผู้เป็นเจ้าทุกให้ได้รับสุขอย่างสมบูรณ์นั่นเองสภาวะธรรมมีขันเป็นต้นนี้จะเป็นพิษสำหรับผู้ยังรูปหลงส่วนผู้รู้เท่าทัานขันและสภาวะธรรมทั้งปวงแล้วสิ่งทั้งนี้จะสามารถทำพิษอะไรได้และท่านยังถือเอาประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ ได้เท่าที่กวนเช่นเดียวกับขวากน้ำที่มีอยู่ทั่วไปใครไม่รู้ไปโดนเข้าก็เป็นอันตรายแต่ถ้ารู้ว่าเป็นน้ำแล้วนำไปทำรั้วบ้านหรือกั้นสิ่งปลูกสร้างก็ได้รับประโยชน์เท่าที่กวนฉะนั้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจรงทำความแยบขายในขันและสภาวะธรรมด้วยดีสิ่งทั้งนี้เกิดดับอยู่กับจิตทุกขณะ จงตามรู้ความเป็นไปของเขาด้วยปัญญาว่าอย่างไรจะรอบคอบและรู้เท่านั้นจงถือเป็นภาระสำคัญประจำอิริยาบถอย่าได้ประมาทนอนใจธรรมวเทศนาที่แสดงขึ้นจากขันและสภาวธรรมทั่วไปในระยะนี้จะปรากฏทางสติปัญญาไม่มีเวลาจบสิน้นและเทศไม่มีจำนวนทางสํานวนโวหาร ประกาศเรื่องไตรลักษณ์ประจำตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทั้งเป็นระยะที่ปัญญาของเราควรแก่การฟังแล้วเหมือนเราได้ไตร่ตรองตามธรรมเทศนาของพระธรร ม, มกถกอย่างสุดซึ้งนั่นเองขั้นนี้นักปฏิบัติจะรู้สึกว่าเพลิดเพลินเต็มที่ในการค้นคิดตามความจริงของขันและสภาวธรรมที่ประกาศความจริง ประจำตนแทบไม่มีเวลาหลับนอนเพราะอำนาจความเพียรในหลักธรรมชาติไม่ขาดวักขาดตอนโดยทางปัญญาสืบต่อในขันหรือสภาวะธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมชาติเช่นเดียวกันก็จะพบความจริงจากขันและสภาวะธรรมประจักษ์ใจขึ้นมาด้วยปัญญาว่าแม้ขันทั้งมวลและสภาวะธรรมทั่วไปตลอดไตรโลกธาตุ ก็เป็นธรรมชาติธรรมดาของเขาอย่างนั้นไม่ปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสตัณหาตามโมหนิยมแต่อย่างใดอุปมาเป็นหลักเทียบเคียงเช่นของกลางที่โจรลักไปก็พลอยเป็นเรื่องราวไปตามโจรแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนสอบสวนดูท้วนทีจนได้พยานหลักฐานเป็นที่พอใจแล้วของกลางจับได้ก็ส่งคืนเจ้าของเดิม หรือเก็บไว้ในสถานที่ควรไม่มีโทษแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ติดใจในของกลางปัญหาเรื่องโทษก็ขึ้นอยู่กับโจรเจ้าหน้าที่จะต้องเกี่ยวข้องกับโจรและจับตัวไปสอบสวนตามกฎหมายเมื่อได้ความตามพยานหลักฐานถูกต้องตามกฎหมายว่าเป็นความจริงแล้วก็ลงโทษผู้ต้องหาตามกฎหมายและปล่อยตัวผู้ไม่มีความผิด และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกไปเป็นอิสระเสรีตามเดิมชั้นใดเรื่องอวิชชาจิตกับสภาวธรรมทั้งหลายก็ฉันนั้นขันและสภาวธรรมทั่วทั้งไตรโลกธาตุไม่มีความผิดและเป็นกิเลสบาบธรรมแต่อย่างใดแต่พลอยเป็นเรื่องไปด้วยเพราะจิตผู้ฝังอยู่ใต้อํานาจของอวิชชาไม่รู้ตัวว่าอาวิชชาคือใครอวิชชากับจิต จึงกลมกลืนเป็นอันเดียวกันเป็นจิตหลงไปทั้งดวงเที่ยวก่อเรื่องรักเรื่องชังฝังไว้ตามธาตุขันคือตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสตามตาหูเจมูลิ้นกายและใจและฝังรักฝังชังไว้ตามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตลอดไตรโลกธาตุเป็นสภาวะที่ถูกจับจองและรักชัง ยึดถือจากใจดวงรุ่มหลงนี้ทั้งสิ้นเพราะอำนาจความจับจองยึดถือเป็นเหตุใจอวิชชาดวงนี้จึงเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนไปได้ทุกกาเนิดไม่ว่าสูงต่ำดีชั่วในพบทั้งสามนี้แม้จะแยกกาเนิดของสัตว์ที่ต่างกันในพบนั้ น, น, นไว้มากเท่าไหร่ใจดวงอวิชชานี้ สามารถจะไปถือเอากำเนิดในภพนั้นๆได้ตามแต่ปัจจัยเครื่องหนุนของจิตดวงนี้มีกําลังมากน้อยและดีชั่วเท่าไหร่ใจดวงนี้ต้องไปเกิดได้ตามโอกาสที่จะอํำนวยตามสภาวะทั้งหลายที่ใจดวงนี้มีความเกี่ยวข้องจึงกลายเป็นเรื่องผิดจากความจริงของตนไปโดยลําดับเพราะอํานาจอวิชชาอันเดียวเท่านี้จึงก่อเหตุร้ายป้ายสี ไปทั่วไตรโลกธาตุให้แปลสภาพคือธาตุล้วนๆของเดิมไปเป็นสัตว์เป็นบุคคลและเป็นความเกิดแก่เจ็บตายตามโมหะอวิชชานิยมเมื่อทราบชัดด้วยปัญญาว่าขันห้าและสภาวะธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวเรื่องและตัวก่อเรื่องเป็นแต่พลอยมีเรื่องเพราะอาวิชชาเป็นผู้เรืองอำนาจบรรดาให้สภาวะทั้งหลายเป็นไปได้ตามอย่างนี้แล้ว ปัญญาจึงตามค้นลงที่ต้นต่อคือจิตดวงรู้อันเป็นบ่อเกิดของเรื่องทั้งหลายอย่างไม่หยุดยั้งตลอดอิริยาบถคือเดินเดินนั่งนอนโดยความไม่ไว้วางใจในความรู้อันนี้เมื่อสติปัญญาที่ได้ฝึกซ้อมเป็นเวลานา น, านจนมีความสามารถเต็มที่ได้แผ่ววงล้อมและฟาดฟันเข้าไปตรงจุดใหญ่คือผู้รู้ที่เต็มไปด้วยอวิชชา อย่างไม่รีรอต่อยุธกันทางปัญญาเมื่ออวิชชาทนต่อดาบเพชรคือสติปัญญาไม่ไหวก็ทลายลงจากจิตที่เป็นแท่นวันหลังอันประเสริฐของอวิชชามาแต่การไห น, ไหนเมื่ออวิชชาได้ถูกทําลายตายลงไปแล้วด้วยอำนาจมรคยานซึ่งเป็นอาวุธทันสมัยเพียงขนาดเดียวเท่านั้นความจริงทั้งหลายที่ได้ถูกอวิชชา กดขี่บังคับเอาไว้นานเป็นแสนกับนับไม่ถ้วนก็ได้ถูกเปิดเผยขึ้นมาเป็นของกลางคือเป็นความจริงล้วนๆทั้งสิ้นทมที่ไม่เคยรู้ได้ปรากฏขึ้นมาในวาระสุดท้ายยะถาภูตะญานทาทศนะเป็นความรู้เห็นตามเป็นจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายอย่างเปิดเผยไม่มีอะไรปิดบังแม้แต่น้อย เมื่ออาวิชาเจ้าผู้ปกครองนครวัตตะตายไปแล้วด้วยอาวุธคือปัญญายานพระนิพพานจะทนต่อความเปิดเผยของผู้ทำจริงรู้จริงเห็นจริงไปไม่ได้แม้สภาวธรรมทั้งหลายนับแต่ขันห้าอายตนะภายในภายนอกทั่วทั้งไตรโลกธาตุก็ได้เป็นธรรมเปิดเผยตามความจริงของตนจึงไม่ปรากฏว่าจะมีอะไรที่เป็นข้าตึก แก่ใจต่อไปอีกนอกจากจะปฏิบัติขันห้าพอให้ถึงการอันควรอยู่ควรไปของเขาเท่านั้นก็ไม่เห็นมีอะไรเรื่องทั้งหมดก็มีอวิชชาคือความรู้โกหกอันเดียวเท่านั้นเที่ยวรังแกและกีดขวางต่อสภาวะให้เปลี่ยนไปจากความจริงของตนอวิชชาดับอันเดียวเท่านั้นโลกคือสภาวะทั่วๆไป ก็กลายเป็นปกติธรรมดาไม่มีใครจะไปตำหนิติชมให้เขาเป็นอย่างไรต่อไปได้อีกแล้วเช่นเดียวกับมหาโจรผู้ลือนามได้ถูกเจ้าหน้าที่ฆ่าตายแล้วชาวเมืองพากันดูสบายหายความระวังภัยจากโจรชนนั้นใจทรงญาถาภูตะญานทัศนะคือความรู้เห็นตามเป็นจริงในสภาวธรรมทั้งหลายอย่างสมบูรณ์และเป็นความรู้ที่สม่ำเสมอ ไม่ลําเอียงตลอดการนับแต่วันอาวิชาได้ขาดกระเด็นไปจากใจแล้วใจย่อมมีอิสระเสรีในการนึกคิดไตรตรองรู้เห็นในสภาวะธรรมที่เกี่ยวกับใจได้อย่างสมบูรณ์ตาหูจมูกและรูปเสียงกลิ่นรสก็กลายเป็นอิสระเสรีในสภาพของเขาไปตามๆกันไม่ถูกกดขี่บังคับหรือส่งเสริมใดๆ จากใจอีกเช่นเคยเป็นมาทั้งนี้เรื่องมาจากใจเป็นธรรมมีความเสมอภาคและให้ความเสมอภาคแก่สิ่งทั้งปวงจึงหมดศัตรูต่อกันเพียงเท่านี้เป็นอันว่าจิตกับสภาวะธรรมทั้งหลายในไตรโล ก, กธาตุได้ประกาศสันติความสงบต่อกันลงในสัจจะความจริงด้วยกันอย่างสมบูรณ์ภาระของจิตและเรื่องวิปัสสนา ของนามธรรมที่เกี่ยวกับจิตจึงขอหยุดติเพียงเท่านี้ฉะนั้นจึงขออภัยยโทษพระเดียงท่านนักปฏิบัติทั้งหลายเพื่อกำจัดกิเลสด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าจงเห็นธรรมในคำพีทุกๆคำพีชี้ตรงเข้ามาหากิเลสและธรรมในตัวของเราโดยไปซุ่มซ่อนอยู่ในที่ใดที่หนึ่งผู้ใดมีโอปณะยิกะธรรมประจําใจผู้นั้น จะเอาตัวรอดได้เพราะศาสนธรรมสอนผู้ฟังให้เป็นโอปัญญิกะคือน้อมเข้ามาสู่ตัวทั้งนั้นอย่าพึงเห็นว่าศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอดีตอ น, นาคตโดยไปอยู่กับคนที่ร่วงลับไปแล้วและไปอยู่กับคนที่ยังไม่เกิดจงทราบว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนตายแล้วและไม่สอนคนที่ยังไม่เกิดจงเห็นว่า พระองค์สอนคนเป็นคือยังมีชีวิตอยู่เช่นพวกเราทั้งหลายสมกับพระพุทธศาสนาเป็นปัจจุบันทันสมัยตลอดกาลขอความสวัสดีมงคลจงมีแด่ท่านผู้อ่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเถิด